จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2550เป็นวันสิ้นปีเป็นวันสุดท้ายของปี2550 หลังจากนี้ไปแล้ววันนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วพวกเราเห็นคุณค่าของเวลาเห็นว่าเวลานั้นมีแต่จะไหลไปไหลไปแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาหาเราอีกเราจึงต้องรีบตักตวงใช้ประโยชน์จากเวลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่มีประโยชน์อันใด ที่จะมีคุณมีประโยชน์มากเท่ากับการมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมเพราะการกระทำตามพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าจะพาชีวิตของเราให้ไปสู่ที่สุข และที่เจริงอย่างแท้จริงเพราะไม่มีใครจะรู้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าในโลกนี้คนอย่างพระพุทธเจ้านี้หาพบได้ยากมากคนที่สามารถตัดสรู้ด้วยตนเองคำว่าตัดสรู้ก็หมายถึง รู้เรื่องของชีวิตของตนเองว่าประกอบขึ้นมาด้วยอะไรมีคุณลักษณะอย่างไรและจะต้องปฏิบัติดูแลรักษาชีวิตนั้นอย่างไรถึงจะทำให้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทั้งพระอาหารหันต์คือเป็นผู้ที่ได้ชําระใจจนสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเพราะเข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยสองส่วนด้วยกัน คือกายกับใจเข้าใจว่ากายนี้เป็นเพียงวัตถุประกอบขึ้นจากธาตุสีคือดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่มารวมกันแล้วก็ทำให้เป็นปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมามีอาการ32สองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกเป็นต้น นี่เป็นส่วนของร่างกายที่เป็นการรวมตัวกันของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วรวมกันได้ไปร ะ, ระยะเวลาหนึ่งก็จะเริ่มแยกตัวกันร่างกายก็จะเริ่มแก่ลงแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะหยุดทำงาน ธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกันร่างกายก็หายไปหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่นี่คือธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนี้ส่วนใจที่มาเป็นผู้ครอบครองร่างกายนี้ใจนี้เป็นธาตรู้เป็นผู้ที่รู้เรื่องราวต่างๆที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกาย และเข้ามาที่ใจใจเป็นผู้รับรู้เรื่องทั้งหมดเช่นรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผดทพะรู้ความรู้ความรู้สึกต่างๆความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเป็นผู้ที่คิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาคิดไปในเรื่องราวที่ทำให้มีความสุข ก็ได้คิดไปในเรื่องราวที่ทำให้มีความทุกข์ก็ได้แต่เมื่อคิดไปแล้วมันก็ดับไปความสุขที่เกิดจากความคิดนั้นก็ดับตามไปหรือความทุกข์ที่เกิดจากความคิดนั้นก็ดับตามไปความคิดก็จะคิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆยึงทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้าง มีความไม่สุขไม่ทุกข์บ้างแต่ในที่สุดมันก็หมดไปหายไปมีความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ใหม่กลับขึ้นมาแทนที่นี่คือธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ใจเป็นผู้รู้เป็นผู้สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ให้กับใจเองด้วยการคิดไป ต่างๆ น, นานาแล้วแต่ว่าจะคิดไปในทางไหนแต่ใจนี้เป็นผู้ที่ไม่ตายธาตุรู้นี้เป็นเหมือนธาตุสีดินน้ำลมไฟไม่ตายเพียงแต่เมื่อธาตุสีที่คือร่างกายนี้ที่ใจมาครอบครองไว้ มาเป็นเจ้าของได้สูญสลายไปธาตุรูนีก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่จะได้ร่างดีหรือร่างไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำไว้ถ้าทำบุญไว้มากก็จะได้ร่างที่ดีเช่นร่างของพรหมของเทพของมนุษย์ถ้าทำบาปทำกรรมไว้มาก ก็จะได้ร่างของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกนี่คือธรรมชาติของใจและกายเป็นอย่างนี้และการที่ใจจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ได้ใจต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ใจได้มาเป็นสมบัติครอบครองเช่นร่างกายนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของใจเป็นเพียงสิ่งที่ใจได้มาครอบครองอยู่ชั่วคราวแล้วพอเวลาผ่านไปร่างกายนี้ก็จะแตกสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลงฝฟายไป เมื่อรู้อย่างนี้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องไม่อยากให้อยู่ไปนานๆให้อยู่ไปเท่าที่จะอยู่ได้ถ้าคิดอย่างนี้ใจก็จะไม่มีความทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้ารู้สองสิ่ง น, นี้ คือรู้กายกับรู้ใจรู้ว่ากายเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟรู้ว่าใจเป็นธาตุรู้มารวมกับธาตุสี่ก็กลายเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ขึ้นมาแต่ร่างกายนี้จะไม่รวมอยู่กันไปตลอดธาตุสี่เขาก็ต้องการจะกลับคืนสู่บ้านของเขาธาตุดินก็อยากจะกลับไปสู่ดิน ธาตุน้ำก็อยากจะกลับไปสู่น้ำธาตุลมก็อยากจะกลับไปสู่ลมธาตุไฟก็อยากจะกลับไปสู่ไฟดังนั้นร่างกายของมนุษย์และของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจึงไม่สามารถตั้งอยู่ไปได้ตลอดเพราะธาตุสีนี้ไม่ไม่ยอมรวมกันไปตลอดถึงเวลาเขาก็จะแยกทางกันไป เมื่อถึงเวลานั้นการเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็หมดไปเป็นนายกนายขอนางกอนางขอก็หมดไปผู้ที่มาครอบครองคือใจถ้าไม่ฉลาดก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกวนกวายวุ่นวายใจอยู่กับการเป็นไปของ ร่างกายแต่ผู้ที่มีปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีความทุกข์กวนกววยแต่อย่างใดเพราะเข้าใจเพราะรู้ว่านี่คือความจริงของร่างกายเป็นอย่างนี้อยู่ได้ไปสักระยะหนึ่งแล้วในที่สุดเขาก็ต้องกลับคืนสู่บ้านเดิมของเขา คือกลับเคื่อนสู่ดินน้ำลงไฟไปใจที่รู้อย่างนี้ก็จะไม่มีความอยากที่จะให้ร่างกายเป็นไปต่างๆนานาเช่นจะไม่อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่าถ้ามีความอยากแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยไม่จำเป็นเลยเพราะใจนี้ไม่จำเป็นจะต้องปรหยัด ก, กับอะไรก็มีความสุขได้และมีความสุขมากยิ่งกว่าการได้อะไรมาตามความอยากเสีย อ, อีกนี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นปัญญา ส่วนพวกเรานี้ยังไม่รู้เราจะมีความหลงความหลงที่หลอกให้เรายึดติดกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาครอบครองไม่ว่าเราได้อะไรมาเราจะมีความอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปตลอดอยากจะให้สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงให้ดีไปตลอด ความอยากเหล่านี้เองนี่แหละที่สร้างความทุกข์ให้กับพวกเราเพราะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะสิ่งต่างๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจากเก่าจากใหม่ก็กลายเป็นเก่าไปนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ตั้งอยู่ไม่นานในที่สุดก็จะหมดไปสูญไป แต่ความหลงนั้นไม่ได้ทำให้พวกเรามองเห็นความจริงพวกเราจึงมีความอยากอยู่เรื่อยๆเมื่อเราสูญสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปหลังจากที่เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ไปแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปก็อยากได้สิ่งใหม่มาทดแทนเพื่อที่จะได้มีความสุขกับสิ่งที่อยากได้อีก แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาทุกข์มากวนกวายมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ได้มาใหม่อีกว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เคยได้มาและเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปถ้าเขาไม่ไปเราก็ต้องจากเขาไปนี่คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูเห็นจึงทำให้พระพุทธเจ้าสามารถตัดความอยากต่างๆได้เมื่อไม่มีความอยากในใจก็จะไม่มีความทุกข์และไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปเกิดใหม่อีกถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่หลังจากที่ร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วความอยากนี้ก็จะพาให้ไปเกิดใหม่อีก เพราะยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อีกอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกก็ต้องไปเกิดใหม่เมื่อไปเกิดใหม่ก็ต้องไปทุกกับสิ่งต่างๆที่ได้ใหม่อีกได้ร่างกายใหม่ก็ต้องไปทุกกับร่างกายใหม่เพราะร่างกายใหม่ที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกันนี่คือ การดำเนินของใจที่มีความหลงเป็นอย่างนี้ใจของว่าเรานี้ยังมีความหลงอยู่เราจึงถูกหลอกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้อยากมีอย่างนั้นอย่างนี้จึงทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่นับไม่ถ้วนเคยเกิดมาแล้วนับไม่ถ้วนและจะต้องเกิดต่อไปอีกอย่างนับไม่ถ้วน ถ้าเราไม่ได้มาพบกับคนวิเศษอย่างพระพุทธเจ้าที่รู้จริจรงเห็นจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตเรารู้ถึงวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ต้องมีความทุกข์เลยเมื่อเราได้มาเจอแล้วเราจึงควรมีศรัทธาความเชื่อ เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฟังนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถมองเห็นได้เพราะตาในของเราคือใจของเรายังมืดบอดถูกความหลงครอบงำจึงทำให้เราไม่ได้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นคือรู้ธรรมชาติของใจรู้ว่าใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตาย รู้ว่าใจนี้เป็นผู้รู้แต่เนื่องจากถูกความหลงหลอกจึงต้องมีความอยากต่างๆเพราะคิดว่าเมื่ออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ามีความสุขเพียงเล็กน้อยแต่มีความทุกข์มากกว่าตามมาเป็นเหมือนกับ ปลาที่ไม่รู้ว่าเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั้นเป็นอาหารเพียงเล็กๆน้อยๆเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆถ้าไปตะคุบเหยื่อนั้นแล้วก็จะต้องถูกเบ็ดเกี่ยวคอถูกคนที่เขาคอยล่อนี้ออกจับเอาไปฆ่าจับเอาไปกินฉันใดความอยาก ในสิ่งต่างๆก็เป็นเหมือนกับเหยื่อที่คอยรอใจให้หลงติดอยู่กับความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็ต้องไปทุกข์กับความทุกข์อย่างมาหันที่ติดมากับความสุขเล็กๆน้อยๆนั้นเวลาที่เราได้อะไรมาใหม่ๆเราก็ดีอกดีใจแต่พอเราสูญเสียมันไปเราก็ร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับ บางทีถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปก็มีเกิดขึ้นให้เห็นอยู่แล้วคนที่ฆ่าตัวตายไปนั้นก็เพราะสูญเสียสิ่งที่ตนรักไปนั่นเองสูญเสียความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้มาไปถึงทำให้อยู่ไม่ได้แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นทำไมอยู่ได้ เช่นตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเรามีกินมีนอนไปวันๆหนึง่งเราก็มีความสุขได้เราไม่มีสมบัติอะไรไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีสิ่งต่างๆทำไมเราอยู่ได้ก็เพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีความอยากเช่นเด็กๆ เ, เขาอยู่ได้เพราะเขาไม่มีความอยากมากเหมือนกับผู้ใหญ่ พอโตขึ้นมาแล้วความอยากก็ไมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอมีความอยากก็ต้องไปหามาพอหามาได้ก็ต้องห่วงต้องห่วงต้องกังวลต้องทุกข์ต้องคอยเฝ้าดูแลรักษาแล้วพอสูญเสียไปก็ร้องห่มร้องไอ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือความหลงทำให้พวกเราต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ แต่ชาตินี้เป็นวาสนาดีของพวกเราที่ได้เกิดมาเจอคนอย่างพระพุทธเจ้าที่เป็นคนที่ฉลาดและมีความสามารถมากในเบื้องต้นก็สามารถสอนตนเองให้ฉลาดได้ด้วยการศึกษาและด้วยการบาเพ็ญจิตภาวนาเพราะการที่จะเอาชนะความอยากได้นี้ จะต้องทำจิตให้สงบให้ได้ถ้าจิตไม่สงบจะไม่สามารถหยุดความอยากได้เพราะความอยากอาศัยจิตอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือนั่นเองแต่พอทำจิตใจให้สงบนิ่งไม่คิดอะไรความอยากต่างๆก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะไม่คิดอะไรเพียงแต่ความสงบนั้น ที่เกิดจากการทำจิตตภาวนาคือทำสมาธินั้นมันสงบไม่ถาวรไม่นานหลมันจะสงบได้ชั่วระยะหนึ่งชั่วแล้วหลังจากนั้นมันก็จะต้องถอนออกมาแล้วก็จะมีความคิดตามมาถ้าจะต้องการหยุดความอยากตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนให้รู้ว่า สิ่งที่อยากนั้นมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญไปเสียไปสิ่งที่ได้มานั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะได้มาแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาไม่สามารถควบคุมบังคับให้สิ่งนั้นอยู่กับตนไปได้ตลอดถ้าสอนใจอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเวลาใจเกิดความอยากได้สิ่งนั้นขึ้นมา สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาก็จะหยุดความอยากได้เพราะรู้ว่าเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่ฉลาดแล้วจะไม่กล้าไปฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเพราะรู้ว่าจะต้องถูกเบ็ดเกี่ยวคอซึ่งเป็นความเจ็บปวดมากกว่าความสุขที่ได้จากการรับประทานเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั้น ฉันใดถ้าเรามีธรรมะคำสอนของพพระพุทธเจ้าคอยเตือนสติเราว่าอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขมันมีแต่ความทุกข์นะพอเรามีปัญญาอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถอยู่เฉยๆได้และเราจะรู้ว่า ความสุขที่แท้จริงนี้ก็อยู่ตรงที่ไม่อยากนี้เองเวลาจิตที่ไม่อยากจิตก็จะสงบนิ่งเย็นสบายมีความอิ่มมีความพอแต่ถ้าเวลาใดาที่เกิดความอยากขึ้นมาจิตก็จะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่นิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องดิ้นรนต่อสู้แสวงหาสิ่งที่อยากได้ แต่พอได้มาแล้วความอยากนั้นก็ไม่หมดไปแต่กับมีความอยากใหม่ๆเกิดขึ้นมาแทนที่อีก mm. เช่นได้ร้อยก็อยากจะได้เป็นพันพอได้เป็นพันแล้วก็อยากจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนความอยากมันจะมาอยู่เรื่อยๆทำให้เราไม่อิ่มไม่พอทำให้เราไม่พบกับความสุขที่แท้จริง พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดทรงเห็นโทษของความอยากทรงเข้าใจถึงธรรมชาติของใจว่าใจจะสุขได้นั้นจะต้องไม่อยากจึงได้บำเพ็ญจิตตภาวนาจนกระทั่งสามารถชนะความอยากทั้งหมดได้ใจของพระพุทธเจ้าจึงเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขไปตลอดเวลาและไม่ต้องไปเกิดใหม่ ไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรอีกต่อไปนี่คือใจของผู้ที่มีปัญญาจะเป็นอย่างนี้จะตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจได้และไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปอยู่กับความสุขนั้นไปตลอดอนันตการเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพียงแต่ว่าใจไม่ไปคว้าเอาสิ่งที่ตายมา เป็นสมบัติเท่านั้นเองคือไม่ไปคว้าเอาร่างกายมาเป็นสมบัติเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาก็ไม่มีความทุกข์ต่างๆตามมาเช่นเดียวกันเมื่อทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้แล้วก็ยังมีความสามารถในการสั่งสอนผู้อื่นสามารถนำเอาความรู้ความเห็นนี้มาถ่ายทอดให้กับผู้อื่น ที่ไม่รู้อย่างพวกเราพอได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อก็พยายามปฏิบัติตามพยายามตัดความอยากต่างๆพยายามตัดความยึดติดกับสิ่งต่างๆพยายามอยู่อย่างไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขไม่ต้องมีข้าวของเงินทองมากมายถ้ามีเงินทองก็มีไว้เพียงแต่ เพียงเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่จะไม่เอาเงินทองไปซื้อความสุขอย่างคนบางคนเช่นหยุดสี่วันนี้เขาก็เอาเงินทองนี้มาซื้อความสุข ด, ด้วยการซื้อตั๋วเรือบินไปเที่ยวตที่ต่างประเทศหรือไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมี หรือไปกินไปดื่มไปสนุกสนานเฮฮาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับคนเสพติดไปเพราะจะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆจะต้องซื้อของแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ซื้อไม่ได้เที่ยวไม่ได้ดื่มไม่ได้กินก็จะมีความหงุดหงิดใจมีความไม่สบายใจอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีความสุข เพราะจิตใจมันดิ้นด้วยความอยากต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราพยายามทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและได้ปฏิบัติมาเช่นพระพุทธเจ้าเคยมีสมบัติข้าวของเงินทองมากมายกายกองท่านก็ทรงสละตัดไปหมดแล้วก็ออกบวชอยู่แบบคนธรรมดาสามัญมีข้าวกินวันละมื้อก็พอ ก็พอใจแล้วมีที่หลบแดดหลบฝนตามถาม้มตามผาตามเรือนร้างตามโคนต้นไม้ก็อยู่ได้แล้วอยู่อย่างนั้นแหละเป็นวิถีชีวิตที่จะสุขจริงๆแต่ถ้าอยู่แบบพวกเราก็จะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะเราต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราเช่นเราต้องพึ่งไฟฟ้าให้ความสุขกับเรา พอ ว, วันไหนไฟฟ้าดับไปวันนั้นก็วุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองวันไหนน้ําประปาไม่ไหลวันนั้นก็วุ่นวายกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองวันไหนไม่มีน้ำมันเติมใส่รถวันนั้นก็วุ่นวายกันไปหมดเพราะเราอาศัยความสุขของเรากับสิ่งต่างๆแทนที่จะอาศัยความสุขจากการทําจิตใจของเราให้สงบระงับ จากความอยากต่างๆชีวิตของเราก็เลยต้องวุ่นไวายไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะรวยหรือจดจนก็เป็นเหมือนกันทั้งนั้นเป็นเศรษฐีก็มีความทุกข์วุ่นวายใจเหมือนกันเป็นคนจนก็มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเหมือนกันเพราะวุ่นวายด้วยความอยากต่างๆนานานั่นเองอยากจะให้ไฟมันติดเวลามันดับก็อยากจะให้ไฟมาเร็วๆ อยากจะให้น้ำประปามาไหลเร็วๆเวลาน้ามันไม่ไหลอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่แบบนี้ล้วนเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจทั้งนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องพยายามตัดความอยากต่างๆอย่าไปอาศัยความสุขจากสิ่งต่างๆ ให้เราสร้างความสุขขึ้นมาในใจของเราด้วยการบำเพ็ญด้วยการทำบุญเพื่อตัดความอยากต่างๆตัดความยึดติดในสิ่งของต่างๆเวลาเรามีเงินเหลือเงินเหลือใช้แทนที่เราจะเอาไปซื้อความสุขด้วยการไปเที่ยวหรือด้วยการไปดื่มไปรับประทานไปตามสถานที่ต่างๆเราก็เอาเงินนั้นไปแจกจ่าย ไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนแล้วจะทำให้ความอยากในใจนี้มันลดลงไปแล้วจะทำให้เกิดความสุขความอิ่มเอิบใจขึ้นมาแต่ก็ไม่เพียงพอเราต้องทำมากกว่านั้นเราต้องรักษาศีลด้วยเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ใจเราไปทำในสิ่งที่จะสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะเวลาเราไปเบียดเบียนผู้อื่นไปทา ผิดศีลผิดธรรมแล้วใจของเราจะวุ่นวายใจจะมีความหวาดกลัวจะมีความหวาดระแวงไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมใจของเราจะเย็นจะสบายไม่ทุกข์ไม่กังวลกับการกระทําต่างๆของเราเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่เสียหายให้กับใครนั่นเองแล้วเราก็ยังต้องทําจิตตภาวนาด้วย เราต้องพยายามทำจิตของเราให้สงบให้หยุดคิดให้ได้โดยวิธีการต่างๆเช่นการสวดมนต์ก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งที่จะทำให้ใจเราหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้หรือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นให้พุทอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ กำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆพอคิดไปแล้วก็จะทำให้เกิดความอยากเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานั่นเองถ้าเรามีสติคอยคุมใจให้อยู่กับการสวดมนต์ก็ดีกับการบริกรรมพุทโธก็ดีกับการดูลมหายใจเข้าออกก็ดี ไม่นานจิตของเราก็จะสงบตัวลงและเราจะพบกับความสุขที่แปลกมหัศจรรย์ที่เราไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหมดในโลกนี้นัติสันติบาลังสุขขังสุขเออนที่เหนือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มี มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นที่เป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดที่พวกเราทุกคนสามารถมีไว้เป็นสมบัติของเราได้และจะไม่มีใครสามารถขโมยจากเราไปได้แยกจากเราไปได้เพราะมันเป็นของคู่ใจกับเรามันเป็นของที่อยู่ในใจของเรานั่นเองจึงขอให้พวกเราจง พย า, ยามฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามนําเอาไปปฏิบัติแล้วเราจะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้สัมผัสและมีไว้ครอบครองนี้เป็นสมบัติของเราต่อไปแล้วเราจะไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องราวกับอะไรทั้งสิ้น จึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาของชีวิตเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมแล้วการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุท ธ, ทธศาสนาจะไม่สูญเปล่าไปจะมีคุณค่าอย่างยิ่งแก่ชีวิตจิตใจ